บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปความคุ้งสั้นที่เราเรียกว่าอุธจัจนั้นระดับที่หยาบคือขึ้นกรุ่มกลุ่มใจเป็นสนิมใจเป็นตัวกัดกัน้นสกัดกัน้นจิตใจของเราเอาไว้ แม่สามารถรับความดีที่จะเข้ามาทางประสาทสัมผัสหรือแสดงความดีที่เกิดจากความคิดความรู้ของเราออกไปสู่ภายนอกได้ไอนดับที่เป็น น, นิวรนันก็ทรงสอนให้สงบระงับด้วยวิธีการต่างๆเป็นการทำใจสงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการพยายามเหนียวนึกตรึกนึกในสิ่งที่เป็นกุศล แม้จะจิตจะเล่นไปก็เล่นไปในกระแสของกุศลซึ่งมีผลเป็นการเคืบคูลต่อความสุขความสงบภายในจิตระดับที่เป็นกรรมฐานก็สงสอนในแนวของสมถกรรมฐานคือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์อันเป็นเครื่องกําหนดระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาวนาวพุทโธ ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่จุดซึ่งหลมกระตุกหรือว่าเจริญกรรมฐานข้อใดก็ต่างที่สามารถทำใจสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้ น, น, นได้อาการของวิจิกิิษาอาการของอุทธะก็จะสงบลงโดยลำดับในธรรมะในแนวนี้แม้ในระดับอื่น จะได้ส่งสอนเรื่องสมาธินีอินทรีย์คือสมาจิหรือสมาธิพระกำลังแข็งสมาจิการที่จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องขจัดอาการภายในจิตที่ท่านใช้คาว่าจิตตวิเขปะคือความพุ้งสัน้นความสัดสายการแล่นไปในทิตต่างๆของจิต เรื่องการที่เรียกว่าความไม่สงบของจิตเพราะถ้าจิตยังเป็นเะนั้นอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้สมาธิที่กระทาบำเพ็ญเจริญจึงต้องมีกําลังมากมากพอที่จะขจัดความคุ้งสั้นสัสสายของจิตซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตอย่างนั้นอย่างที่ทร ง, งแสดงไว้ว่า ผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถรมคือสกุลกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจับพนจากบปวดของใหม่และเป็นการแสดงถึงสภาพของจิตว่าเขาเป็นเขาคอยอย่างนั้นคือเที่ยวไปไกลในที่ต่างๆโดยไม่ถูกเขียดขีดขั้นโดยกาลเทศะ เรานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะวิ่งไปที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวส ก, กุลจั ก, กรวาลหรือไปส่วนต่างๆของโลกโดยเวลาเพียงวูบเดียวก็ไปถึงแล้ววันยังสามารถไปได้ไกลๆเวลาไปก็ไปเพียงดวงเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครที่เรานั่งอยู่ในที่นี้จำนวนคนเป็นร้อยเราอาจจะคิดในจุดเดียวกันได้โดยไม่ได้แย่งพื้นที่กัน นั้นแสดงเห็นว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างสวยอารมณ์ถึงแม้แต่อารมณ์เดียวกันจา่จพื้นจิตในการรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่านั้นของบุคคลก็ไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันก็ไม่สม่ำเสมอกันเว้นไว้แต่จิตซึ่งพัฒนามาอยู่ในระดับเดียวกัน เห็ว่าจิตที่เป็นสมาธิในระดับเดียวกันอาการอาการที่ปรากฏภายในจิตก็จะเป็นเช่นเดียวกันและบางครั้งก็สงแสดงว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกงห้ามยากรกระสายากมักตกไปในอารมณ์ที่จิตคุณเกิดอารมณ์ที่จิตคร่ แล้วความมรจิตเราพอใจชอบใจในเรื่องอะไรนั้นเราจะอยู่กับเรื่องนั้นได้ น, น, นานๆเราจะเห็งงนอาการของคนที่มีความเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อยู่กับเรื่องนั้นได้ น, น, นานๆและสิ่งนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นเหยื่อคือเป็นการมาคุณสมรับเขาน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสมบัติเขาคนอาจจะเล่นไพ่จนลืมหลับนอนลืม อาบตามลืมรับประทานอาหารสแสดงวันนั้นก็คือการมาคุณที่เขาใค้ก็ปรารถนาเขาพอใจบางคนอาจจะดูกีฬาบางคนอาจจะดูการสแสดงละครต่างๆเป็นเวลาได้นานๆพึ่พงทหากว่าเวลาทัดเทียมกันและจิตถูกดึงขึ้นมาให้ทวนกระแสะความรู้สึกตั้งเด็ม ที่เอามาฟังธรรมะเอามาอ่านหนังสือธรรมะหรือเอามาปฏิบัติสมถะ ก, กรรมฐ า, านหรือเอามาไหว้พระสูตรหมดมันทําได้เฉพาะคนที่จิตคุณเท่านั้นเองถ้าจิตไม่คุณเขาจะอยู่ไม่ได้ไนัานเพราะนินสชาอาการของจิตจึงทรงสแสดงไว้ว่าความดีคนดีทําได้ง่ายคนชั่วทําได้ยาก แสดงให้เห็นว่าตัวความดีนั้นที่จริงก็เป็นจุดกลาง ใ, ใครจะทำก็ได้แต่เอากรจริงแล้วพื้นฐานทางภายในใจของเขานั้นจะกำหนดเป็นความยากง่ายสำหรับความดีแล้วคนดีเขามีพื้นฐานอยู่มากเขาก็ทำได้ไง่ายดังนั้นการพังทมจำศีลการเจริญกรรมาฐานในการว่ว้พระสูตรบทสำหรับคนดีแล้วเขาก็ทาได้นา น, าน มีการฟังเทศคืนอย่างรุ่งมีการไหวพระสวดมนต์หล า, านหลายหลายชั่วโมงมีการเจริญกรรมฐานหลายๆชั่วโมงหรืออาจจะหลายๆวันนั่นแสดงเห็นว่าความเสพคุณของจิตเขาก็ตกไปในอารมณ์ที่เขาชอบเหมือนกันแต่จุดนี้ทําให้เราเห็นความเป็นไปได้ที่จะสร้างความชอบขึ้น ให้สิ่งที่สามารถควบคุมอาการของจิตเพื่ อ, อาการดิ้นรนกวัดแหวงของจิตให้อยู่ในจุดที่จิตมีความสงบได้นั่นหละการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาที่จริงก็ทุกขั้นตอนเป็นการควบคุมความพุ่งซ่านของจิต จิตมาไว้ในจุดได้จุดหนึ่งแม้แต่การให้ทานที่ส่งแสดงเรื่องเจตนาสามการเอาไว้เมื่อก่อนให้ขณะให้หลังให้จะต้องมีเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลจิตจะถูกควบคุมให้อยู่ในกุศลและเจตนาเหล่านั้นซึ่งหมายความว่าจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่สัดสายไปในเรื่องอื่น ประจิตสายไปในเรื่องอื่นก็สงแสดงว่าเจตนามันบกพร่องไปในข้อใดข้อหนึ่งทาให้ผลของทานไม่มีความสมบูรณ์เช่นก่อนจะให้ก็มีความเต็มใจดีที่จะให้ขณะให้ก็ยังเพลิดเพลิอนอยู่แต่พอให้ไปแล้วเกิดเสียดายแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตมันฟุ้งออกไปจากกุศลและเจตนาเหล่านั้นทาให้จิตตก ตกไปสู่อำนาจของไรตกไปสู่อำนาจของความสัตนิตกไปสู่อำนาจ ข, ของกิเลสซึ่งอาจจะเสียดายในสิ่งที่เราสละไปอาจจะไม่พอใจในในวัตถุในบุคคลที่เราให้ถ้ารู้สึกเสียดายก็กลายเป็นตระณิจิตตกไปสู่ความสัตนิตกไปสู่ความหวงแขวน แต่เกิดรู้สึกไม่ชอบต่อคนที่เราได้ให้ไปจะแสดงว่าจิตก็ตกไปสู่กระแสของโทสะทำให้คุณภาพของจิตที่เคยสงบด้วยจจคัดเจตนาคือเจตนาที่จะสละนั้นก็คุหมวลเศร้ า, ามองไปประสิทธิภาพของจิตก็ตก ต, กตามตกไปซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าถ้าอาการเป็นเช่นนั้นแล้ว หลังจากนั้นจะไม่สบายใจดังนั้นการควบคุมใจให้อยู่ในกระแสของกุศลได้ทั้งสามการโดยเฉพาะช่วงหลังจากให้เป็นช่วงที่นานกินเวลานานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีพระใจมีความส ง, งบมีความเพลิดเพลินอยู่ในกุศลและทำกเหล่านั้นก็จะมีความยินดีในกุศลก็ทํากุศลเหล่านั้นได้เรื่อยๆไป เป็การใท่านทั้งหลายสามารถมาฟังทำปฏิบัติธรรมะได้อย่างต่อเนื่องมางคนก็หลายหายปีนั้นแสดงอาการของจิตที่อยู่ในกระแสของกุศลอย่าน้อยก็ควบคุมไม่ได้ทุกๆุกสัปดแล้วก็มีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องความปีติความอึบอิ่มในกุศลก็เพิ่มพูนขึ้นความมั่นคงทางใจก็สูงขึ้น แต่ถ้าจิตใจไม่มีความพร้อมเมื่อไปทำความดีเข้ามันก็อยู่อีกสุดหนึ่งที่ทรงแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากแสดงว่าจิตใจของคนชั่วนั้นจะตกลงไปสู่กระแสขององกุศลการทำชั่วจึงกลายเป็นความตนัดความพอใจความสนุกสนานแต่ความภาคภูมิของเขา เช่นว่าคนต่อสู้สามารถทำลายขวายตรงกันข้ามได้ก็มีการเฉลิมฉลองสนุกสนานกันแต่ถ้าหากว่าคนที่เขามีคุณธรรมเขาไม่กล้าคิดอย่างนี้นจะรู้สึกโรมนัตเสียใจที่พลังพลาดทาคนอื่นตายไปเพราะนั้นเห็นว่าการกระทาอย่างเดียวกันผลออกมาอย่างเดียวกันแต่คนคนกระทำเป็นคนละคนกัน จนับค่าคนตาย้วยกันถ้าคนดีเกิดพลังพลังพลาดไปทําคนตายจะเศร้าโศกเสียใจแต่คนชั่วแม้จะไม่พลั้งพลาดคือจงใจทําก็จะเกิดความปีติปราโมทย์เกิดความดีใจที่ทําได้สําเร็จในค่าคนอื่นได้สําเร็จแสดงว่าจิตที่ตกไปสูกส่กรแะแสกุศลนกุศลนั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมของคน ที่กำหนดว่าอะไรง่ายอะไรยากสำหรับเขาผลสูตรที่ว่าความดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากจึงกลายเป็นสูตรที่สากูมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปเวลาเราพูดว่าทำอะไรก็ปัญหาว่าอยู่ที่ใครทำความยากง่ายไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นแต่ว่าอยู่ที่ใครเป็นคนกระทำสิ่งนั้น ตอนเรื่องมันยากสำหรับคนหนึ่งที่คนดีที่มีจิตใจละเอียดประณีตประกอบด้วยธรรมะมีสติสมรจัญญาเมตตาเป็นต้นเนี่ยแม้จะด่าใครด้วยคำหยาบสักคำก็ทำได้ยากจริงแต่สสำหรับคนที่จิตใจบาปหยาบช้านึกจะด่าก็ดาก่ดาได้เลยบางทีก็ด่าได้มากๆากท นั้นแสดงเห็นว่าคําด่าเหมือนกันนั้นมันก็อยู่ที่ใครเป็นคนดา่าถ้าไอ้คนดีดา่าเขาก็ด่าได้อย่ากไอ้คนชั่วดา่าเขาก็ด่าได้ง่ายๆแต่อาจจะด่าเพิ่มขึ้นไปนั้นแสดงอาการของใจที่สงบและไม่สงบพอสงบมันไม่ใช่สงบที่ใจเพียงอย่างเดียวแต่สงบที่กายที่วิาจาคือความสงบตรง น, นั้นได้คือคาบคลานไปควบคุมที่กายที่วิาจา อาการเหล่านี้จึงเป็นอาการของผู้มีธรรมะดิเรกัสันตกายโยสันตวโจสันตพโนคือมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบแต่ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าอาการที่ปรากฏข้างนอกนั้นบางทีมันก็อาจจะกัดแยงกระใจคือความคิดภายในเพราะการสงบนั้นอาจจะเกิดจากภารยาเกิดจากการโอ้อวด เกิดจากการแข่งดีเกิดจากการที่จะต้องการจะปิดบังอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตกลไว้เพื่อผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการเพราะแนวการปฏิบัติท่านจึงเน้นไปที่จิตนี่เป็นหลักใหญ่เราจะเห็นว่าเรื่องสังโยชน์ที่กล่าวมาโดยดําดับไม่ได้พูดถึงเรื่องกายไม่ได้พูดถึงเรื่องวาจา แต่อยพูดถึงอาการของจิตหรือว่าจิตที่ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำอยู่แล้วแก้การที่จิตเมื่อจิตได้รับการแก้ไขากายก็สงบไปวาจาก็สงบปเป็นการสงบที่โสดคล้องกับจิตวิจิตเป็นยังไงกายวาจาก็เป็นอย่างนั้นกายวาจาเป็นยังไงมันจะทอดมาจากจิตว่าจิตเป็นอย่างนั้นได้รับสังว่าวาจาเช่นกับน้ําใจ หมาความว่าใจก็เช่นกับอาจารย์ปากที่ไพเราะนั้นออกมาจากใจที่เมตตาใจที่รักใจที่หวังดีใจที่บริสุทธิ์หรือบางครั้งแม้อาจจะเป็นการตำหนิอาจจะท้วงติงอาจจะห้ามปรามอาจจะดุดา่าแต่ก็เป็นการกระทำที่แสดงถึงเจตนากรอบด้วยเมตตาหวังดีต่อบุคคลเห น, นั้นเป็าการปฏิบัติที่เข้าถึงใจจริง มันจะคุมไปที่กายที่วาจาให้กลายเป็นสุตริตที่ประสานสดรับกันจึงทรงแสดงเป็นรูปของกุศลกับบทที่เรียกว่ากายสุจริตวิจิตรสุจริตและมโนสุตริตหมายความมองที่กายที่วาจาก็รู้ใจมองที่ใจก็รู้ที่กายวาจาโดยใจนั้นเป็นเรื่องที่คนอื่นรู้ไม่ได้ ความสงบหรือไม่สงบเอาก็จริงแล้วก็กลายเป็นเรื่องของคนแต่ละคนก็ยังสูตรที่ทรงแสดงว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำ อ, อีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เพราะความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นเรื่องเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำอีกค น, คนหนึ่งให้ฟุง้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้ แม้จะมีอารมณ์ที่ยั่วยูนมาจากข้างนอกยั่วยุข่คมคู่คุกคามสบประมาทดูถูกดูบินหรือยั่วยวนด้วยอะไรก็ได้พระใจเราไม่ไหวตามสิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นจะไม่สามารถทำจิตใจเราให้หวันไหวได้จะในกรณีนี้ที่เรียกว่าทุวโลก เขกกำลังตื่นบอลโลกกันเป็นการใหญ่มีข่าวคราวในเรื่องหลอดนี้แต่มีคนส่วนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไม่สนใจใดๆมันแสดงว่าแม้ชาวโลกก็จะตื่นเต้นกันสนุกสนานกันแต่มีคนจํานวนมากที่ไม่ได้สนใจใส่ใจข่าวคร า, าวว่ากันว่าคนประมาณพันล้านคนที่อยู่ในกิจกรรมหลอดนี้ ซึ่งแสดงเห็นว่ามันก็หนึ่งในห้าส่วนของโลกประชากรโลกมีทั้ง5พันกว่าล้านคนมีคนอีกทั้งี่พันกว่าล้านที่ไม่สนใจในเรื่อง น, อนี้แสดงก็สนุกสนานอะไรกันมันก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าใจไม่ไปรับไม่ไปให้ความสำคัญไม่ไปสนใจ ่เ น, นั้นก็อยู่อย่างที่อยู่เพลิดเพลินกับอย่างที่เกิดเพลิดเพลินต่บาคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะการแก้ไขปัญหาจริงๆจริ ง, รงไม่ได้คิดแก้ในข้างนอกแต่ก็หาันมาแก้ข้างในด้วการทำใจสงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบซึงหมายความว่าถ้าอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นข้าศึกต่อความสงบก็ไม่ ไม่ต้องไปป้องกันอะไรท่านสอนในน้อมอารมณ์นั้นมาเดี๋ยวนึกตึกนึกเพื่อให้ใจสงบหรือเสริมความสงบไปเกิดขึ้นภายในใจความพุ่งสั้นที่ทรงสอนให้ขจัดเป็นความพุ่งสั้นของใจไปในกระแสของอารมณ์ที่เพิ่มกิเลสท่านั้นเองไม่จะเน้นไปทุกอารมณ์เพราะว่าใจนั้นก็คิดอารมณ์ทั้งหลาย เป็นธรรมะวิจัยการวิจัยการสอดส่องธรรมะแล้วก็มีการคิดคน้นมีการพินิจพินิลาธรรมะคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนั้นเทียบเคียงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นมันก็วิ่งไปเหมือนกันแต่มันไม่ฟุง้งก็ไม่ถือว่าฟุง้งเพราะเพราะส ง, งบอยู่ที่ธรรมะอาการฟุ้งสัน้นท่านจึงทรงจึ ง, ทร ง, จงทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนคนที่ติดขลุก เราเห็นได้ชัดว่าคนที่ติดคุกนั้นพุ่งไปพุกมาคิดไปคิดมาคิดไปไหนก็ได้แต่ตัวเองก็คงไม่อิสระอยู่นั่นเองถ้าับการคิดค้นเรื่องธรรมะการพินิจพิจารณาธรรมะแม้จิตเขาจะแล่นจิตเขาจะวิ่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คิดไปที่ิศไปและจิตจะอิสระจากกิเลสอิสระจากอารมณ์ไปโดยลําดับ ให้ถูกครอบงำด้วยกิเลสครอบงามด้วยอารมณ์นั้นนั้นความคุ้งสัน้นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความคุ้งสั้นขึ้นไปในจิตพอท่าลองมาเกาะกลุ่มดูมันก็ไม่มีอะไรมากมีลักษณะของอารมณ์อยู่สีอารมณ์คืออารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดหมายความกิเลสประเภทราคะ ความต้องการในทางเพศหรือโลภะความต้องการในเจิงที่เป็นรู ป, ปรวัตถุต้องการได้ต้องการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นก็นแล้วแต่อารมณ์เหล่านี้เป็นคาสศึกตัวจิตธรให้จิตร่าร้อนธรให้จิตถูกแปดเผาบังคับจิตให้สายให้เล่นไปถ้ามีอยู่มากจะสูญเสียการส่งตัวสงตัวจะจะ ขาดการควบคุมตัวเองมางคนบงคนจึงทําความชั่วความผิดด้วยแรงกระตุ้นของกามราคะ้ยแรงกระตุ้นของโลภะกลายเป็นอัจริกรรมในลักษณะต่างๆส่วนใหญ่อัจฉริกรรมในโลกนี้เมื่อเกิดจากการมรา ค, าคะาก็เกิดจากโลภะโดยมีโมหะหรือความหลงในคุมอยู่เบื้องหลังอาการที่ก่อให้เกิดความขัดเคือง ความกระตุ้นโทสะกระตุ้นความไม่พอใจความไม่ยินดีวันนี้จิตจะไม่สงบกิตจะสายจะวิ่งไปเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เกลียดคนนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดเห่นเราเกลียดนายกเกลียดพ่อนายกเกลียดแม่นายกพี่น้อ ง, น, องานายกวงศ์สากน้าญาตินายกเกลียดทั้งสกุลไปเลยหายไป มันที่เกลียดทั้งจังหวัดที่เขาอยู่หรือประเทศที่เขาอยู่นั้นแสดงคือจิตมันวิ่งวิ่งไปได้วยแรงของโทสะแรงของความโกรธความอาฆาตพยาบาทแล้วก็เพิ่มบาปไปเรื่อยอีกหนึ่งก็คืออาการลุ่มๆลงจนถึงก็งมงายได้เหตุผลเรื่องต่างๆ บางทีก็ไม่แน่ใจเครื่องแปร่งสงสัยในเรื่องต่านั้นศาสตร์ใดที่ไม่แน่ใจเนี่ยมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆแต่สินใจลงไปไม่ได้ปักใจลงไปไม่ได้เจนออกไปซ้ายไปขวากินได้กินไม่ได้คนนี้เป็นคนนั้นจริงหรือไม่เนี่ยจิตมันก็วิ่งไปเรื่อยๆใ ช, ไใ ช, ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกถู ก, ถ, กถูกหรือผิดถูกหรือผิด แสดงว่าเป็นอาการของจิตที่มีอุเบกขาความพุ่งสั้น่างเป็นลักษณะของความพุ่งสั้นอย่างหนึ่งคือเป็นโมหะอย่างห น, นเป็นอาการของโมหะที่เกิดขึ้นภายในใจคนลาการที่ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจาการการะลึกรู้ต่อสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เรื่องก็ บ, บังเกิดขึ้นและเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปแล้วรังคาสติได้ในช่วงในช่วงหนึ่งบางทีก็ไม่สามารถจะเชื่อมจากจุดนั้นไปสู่จุดนั้นได้ที่ระลึกได้ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วต้องของตนเองในืของคนอื่นแม้จะนานแล้วได้ แต่พอเกิดจะเอาเรื่องเหล่านั้นปากระทำเกิดทำไม่ได้เกินลืมก็แสดงว่าสติมันขาดตะลึกอดีตได้เอามาใช้ปัจจุบันไม่ได้ซึ่งอาการเหล่านี้ทุกคนก็มีประสบการณ์ในตัวเองบางทีก็กำลังจะพูดได้แต่มันพูดไม่ได้ลึกไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรคือสติเขาขาดไป เชื่อมเอาอาดีตมาใช้ในปัจจุบันไม่ได้หรือบางทีทาอยู่ในขณะนั้นๆพอทำไปแล้วนึกไม่ออกมันผิดตรงนั้นบังทีสติเกิดช้าทำไปตั้งวันแล้วไปนึกได้วันผิดจะทำตอนเช้าไปนึกได้ถึงตอนเย็นว่ามันผิดนั้นแสดงว่าไม่สามารถเชื่อม ปัจจุบันใกล้ๆอดีตใกล้ๆกับปัจจุบันของตัวเองได้เพราะการใช้สติจึงส่งสอนให้ใช้ได้ทั้งสมการหมายความมานึกได้นึกทันแล้วก็นึกได้นึกออกเช่นว่านึกว่าจะพูดจะทำจะคิดอย่างนั้นแล้วก็พูดทำคิดไปตามนั้นมาพูดทำคิดไปแล้วก็นึกออกว่า ได้ทําได้พูดไปคิดได้ได้คิดไปแล้วอย่างนั้นจริงๆจึงค่อยๆจะเขียนหนังสืออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็อ่านทบทวนเมื่อมาสอบครองกันทั้งหมดก็ถือว่าถูกต้องแต่ละกาดไปในช่วงในช่วงหนึ่งจึงน่าจะจะเขียนหนังสืออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เขียนไปในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้อ่านทบทวนดูว่าได้เขียนไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ไง่ายเพราะว่าพระพสติเกิดขึ้นเพียงสองช่วงเดียนั้นตามปกติแล้วก็ท่านสอนให้มีทั้งสามช่วงหมายความอาดีตใกล้ๆเห็นเราพูดไปแล้วทําไปแล้วคิดไปแล้วการพูดการทําการคิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดผกพร่องอยู่ก็นึกออกว่าพูดอย่างนั้นผิดไป ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แม้ระดับศีลท่านก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลถือว่าพูดพลางพูดพลาดผลเสียหายยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ท่านและแง่ของศีลมุสาวาดท่านก็ไม่ถือว่าเป็นศีลมุสาวาดนั้นใจที่ฟุง้งซ่านแล้วมีปัญหาจึงออกมาสี่ลักษณะดังกลาง่าว คือเรื่องที่ก่อให้เกิดความกบหนัดก่อให้เกิดความขัดเคืองก่อให้เกิดความรุ่มรลงก่อให้เกิดความประมาทเดินเลน่แต่เรื่องอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นว่าตรึกนึกเหนี่ยวนึกไปในเรื่องที่ทำให้จิตมันคลายกาหนัดใน่หลงทั้งหลายเกิดความคิดเตียเสียสละละวางท่จะสงเคราะห์โนเคราะห์เกื้อกูลแก่ บ, บุคคลอื่น มันเทาความมาคาตปยาบาดความไม่พอใจความไม่ยินดีจนถึงอัสงบไปแล้วก็ปลุกเร้าให้มีสติสัมปชัญญะแล้เลือกรู้ตัวสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ถืกพุ้งสั้นพราะอาการของกิเลสทั้งหมดท่านได้รู้จิพผลหมายความว่าถ้าผลออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน เพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใจตัวเองสูงขึน้นนั้นแสดงเราดูที่ผลนีนจิตหนึ่งคือไม่ดูที่ตัวเหตุตัวเหตุก็คือแสดงกิเลสมันเพิ่มขึ้นทุกเวทนาทั้งหลายนั้นเป็นอาการของกิเลสสืบเนื่องมาจากกิเลสแต่เราอาจจะไม่ต้องไปดูกิเลสคือดูที่อาการความเดือดร้อนคล้ายๆกับเราต้มน้าก็เห็นน้าเดือด อันนั้นที่จริงเป็นอาการของไฟที่มันมากแต่เราต้องการลดความรุนแรงก็ลดที่ไฟไม่เป็นลดที่น้ำจิตใจของเราก็เหมือนกันบางทีนี่ท่านดูที่อาการดูที่ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนคือทั้งหมดนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนจะกําหนัดจะกระเทือนจะรุ่มหลงจะบวมอ่อนนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนมองก็ไม่ต้องแปลกแยะแยกแยะรายละเอียดอะไรก็เห็นไม่ความเดือดร้อนก็รีบแก้ไขตัวเหตุ ตร ส, สอบดูกิเลสภายในใจแล้วก็สงบกิเลสเหล่านั้นอาการของความร้อ น, นความเดือดร้อนก็จะสงบไปมันสังยุ์ทั้งหมดหรือทั้ง9้าประการที่กล่าวมาแล้วมันจะมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดจะได้อยู่ภายในใจของพระรยบุคคลนั้นที่จริงแล้วก็เรื่องละเอียด เสีสัโยาต์จะยังมีอยู่ภายในใจพระโสดาตงกาตคา น, นาคาเป็นเรื่องของความละเอียดไม่ถึงไปทำทุจริตทางกายทางวาจาอะไรพระท่านเหล่านั้นปิดประตูนรกปิดประตูอบายได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วเพียงแต่ว่ามีอาการของกิเลสนั้นๆปรากฏอยู่ภายในใจแต่สำหรับสามัญชนแล้วจะอยู่ระดับกลางกับระดับ ที่รุนแรงคือระดับยาวกับระดับกลางเห็นได้อาการที่ปรากฏที่กายที่วาใจาด้วยแต่ว่าการศึกษาเรียนรู้นั้นการแก้ไขนั้นท่านก็สอนในแก้ที่ใจโดยการไม่กำหนดอารมณ์ที่จะเพิ่มกิเลสคงมีการเรียนรู้วางเสียงดงกลิ่นนรถถถุกต้องจนน้อนรังแคงอยู่เพียงแต่ว่ามีสติระลึกรู้ เข้าทันในอารมณ์ดอดนันต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป